ท่านฟังที่เคารพคะ่ะราการสัสมนาสนท น, นากับดิฉันสัมสนนมนาคุณพงษ์นะคะเรามาอยู่เป็นเพื่อนท่านทั้งหลายก็เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นในแต่ละวันก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจอะไรเราก็ทําจิตทําใจของเราให้ถึงธรรมะกันนะคะและธรรมะนี้เองที่จะไปพัฒนาความเป็นเราให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามความ มากและถูกต้องของการปฏิบัติดิฉันพูดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกราบเปลี่ยนถามท่านอาจารย์พิบูลพิบุญนโนที่จะมาเปิดทรรที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนะคะน้ำส ก, การท่านคะอาจารย์พิบูค่ะก็ถูกอยู่เนาะในเรื่องของอาการฟังธรรมะก็จะทําให้จิตใจเงเราสูงขึ้นแหละเป็นสิ่งที่ต้องมีในเบื้องต้นนะของปัญญาที่จะทําให้ก้าวหน้าไปในการปฏิบัติค่ะนี่ท่านคะดิฉันเองเนี่ย สงสัยนะคะสมมติว่าเราสมมติดีมมฉันร่วมอยู่ในคณะระัฐมนตรีเราจะมีการประชุมใหญ่ๆในระดับชาติแบบนี้ก่อนจะเข้าสู่การประชุมคนก็าคาดหวังใช่ไหมคะว่าจะต้องไม่มีคอรัปชันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ที่ประชุมได้ปฏิบัติธรรมแบบที่ท่านมาร์กนำกันสักหน่อยนึงสักนาทีสองนาทีในแต่ละวันนี่จะช่วยอะไรไหมคะท่านโอ้โหแค่สามสิบวินาทีนะก็ดีแล้ว เอาแค่ช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นก็ดีแล้วช้างกระดิกหูทั้งยัเออใช่ใกระดิกหูช้างกระพริบหูช้างเคลื่อนหูเนี่ยนะก็<ๆ>กระดิกหูใช่ไหมแล้วก็งูแลบลิ้นเนี่ยนะใช้กับตาค่ะเออใช่<ๆ>ก็ก็ดีแล้วนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยณวนะินาทีนั้นเนี่ยจิตเราก็เป็นจิตที่สบายนะวินาทีหนึ่งก็ยังดีแต่แต่ว่าอย่าไปทําแค่แค่นั้นนะก็คือทําต่อไปของดีนี่ทํามากๆก็ยิ่งดี ดิ <No. S 2> ฉันกำลังคิดว่าน่าจะเข้าท่านะถ้าหากว่าคอรมอรไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นรัฐมนตรีที่นับถือาศาสนาพุทธและถึงไม่นับถือาศาสนาพุทธนะคะการที่นั่งนิ่งๆแบบสมาธินี่จะให้ผลในทางที่ดีอย่างที่คาดหวังที่ดิฉันพูดไปไหมคะมแน่นอนเพราะว่าคนไม่ว่าจะนับถือาศาสนาอะไร หรือว่าคุณเป็นคนชาติไหนสูงต่ำดำเตี้ยรวยจนจิตคุณต้องมีสมาธิในการที่จะทํางานต้องเขาเรียก ว, ว่าใช้คําไม่ถูกดีกว่าเป็นจิตที่เป็นหนึ่งนะจิตต้องเป็นหนึ่งในการที่ทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเขาพูดอยู่เนี่ยเราไม่มีจิตเป็นหนึ่งไม่มีสมาธิฟังมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมหรือว่าเรากวาดถนนอยู่อย่อยางเงี้ยไม่มีสติดูแลให้ดีเดี๋ยวก็ถูกลรถชนมันก็ต้องมีความรอบรู้ตลอดรู้ตัวทุวววรบร้อมเพราะฉะนั้นมั น, มนไม่ว่าระดับไหนทำมาใช้ได้หมด คะ่ะแต่ในระดับที่ทีฉันกําลังพูดถึงเนี่โอ้โหรับผิดชอบงานใหญ่ของแผ่นดินเลยนะคะได้ทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วยิ่งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนี่คุณต้องยิ่งมีธรรมามากเพราะว่าเราสามารถสั่งเป็นสั่งตายสั่งซ้ายสั่งขวาได้ใช่ไหมยิ่งถ้ามีธรรมะเนี่ยมันจะมีการควบคุมบังคับจิตได้อย่างดีมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีภาษามากระทบมากขึ้นมีภา<ะ>ษามากระทบลูกน้องเป็นอย่างงี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ประมาณเป็นอย่างนั้นมันจะยิ่งมีเรื่องอีลงตรงนังมากยิ่งต้องมีกําลังจิตมากนะคะอ วันนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้เสนอไปแล้วกันเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้นั่งในคอรมอค่ะ ม, <c oughs> มาถึงเรื่องของก็มาถึงพุทธประวัติพุทธประวัติใช่ค่ะ <c oughs> เรื่องความพิเศษบางประการนะที่ท่านพุทธทาสได้คัดเลือกมาเนะี่ยก็พูดถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะมีอยู่แล้วไม่ว่าพระเจ้าจะมีมาหรือไม่ก็ตาม นะในนอกจากความเป็นอนิจจังทุกขังและตาใช่ไหมก็ยังมีเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะที่อาศัยความเป็นเหตุเป็นผล<ะ>เกิดเกิดขึ้นฟังดูอาจจะฟังแล้วน่ากลัวนะคำว่าปฏิจจสมุปบาทมันยิ่งใหญ่เกินเอาแค่ง่ายๆว่ า, ามีเหตุเป็นผลอย่างเช่นเราเกิดมาเนี่ยเพราะว่ า, ามันมีสถานที่เกิดเราจึงเกิดมาอย่างเงี้ยนะอย่างนี้<ะ>เป็นต้นเนี่ยการเข้าใจแค่คู่เดียว หรือเหตุผลแค่นี้ก็เรียกว่ามันมันเป็นสิ่งตายตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาหรือไม่เนี่ยนะมันต้องมีที่เกิดมันจึงมีการเกิดได้แค่นี้เองก็ถูกต้องละนะคระแล้วพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงทั้งหมด12คู่เป็นต้นไป11คู่ตรงนี้ก็คือมีพมีพบมีสถานที่เกิดจึงมีการเกิดนะเพราะมีผัสสะมีการกระทบเนี่ยจึงมีความรู้สึก เนี่นเพราะว่ามีจิตเรามันมีไปความรู้สึกจิตเรามันจึงเกิดตัณหาได้เป็นต้นนะแล้วก็อีกประการหนึ่งเรื่องของพุทธประวัติเกี่ยวเรื่องพิเศษพิเศษเนี่ยคือเรื่องของการบูชาหยันนะแล้วก็พระุทธเจ้าเคยบอกว่ า, าการบูชาเช่นว่าเอาไม้มาเผาเอาเทียนมาเผาเนี่ยกิว่าเป็นการบูชาและจะทําให้จิตเราบริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่ <Okay. S 2> นะแต่ว่าการเผาแบบไหนคือตบะเนี่ยก็คือเผากีเลสนะแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธินะ์คือล้างข้างในเนี่ยถึงจะถูก <Okay. S 2> อีกประการหนึ่งคือเคยพูดกับพราหมณ์วัสการพราม <Okay. S 2> นะเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคนะีความเจริญความไม่เสื่อมอยู่เจอย่างนะคือเรื่องของการที่พร้อมเพรียงกันประชุม นะแล้วก็ไม่ได้บัญญัติเพิ่มไม่ได้ถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วนะแล้วก็ฟังคาของผู้แก่ผู้เฒ่านะไม่ดูหมิ่นสตรีในสกุลแล้วก็อีกหลายอย่างทั้งหมดเจ็ดอย่างด้วยกันเนี่ยก็จะทำให้สกุลเนียอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามีแต่ความเจริญไม่เสื่อมไปได้เป็นทำให้เกิดความสามัคคีได้ค่ะอืมแล้วก็ยังพูดถึงความที่ทำอย่างไรนะถึงจะเรียกว่า ให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้นานนะเป็นที่พึ่งสําหรับที่เมื่อพระองค์ร่วงลับไปแล้วอันนี้ได้พูดกับพระอา น, นุ<ะ> น, นที่บอกว่าให้มีตนเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะอันนี้ก็ได้พูดไว้ทําไมท่านพระพุทธเจ้ถึงเอาส่วนนี้มารวบรวมไว้เป็นความพิเศษนะเกี่ยวกับความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องจําเอาไว้เลยอะ่ะต้องจเอาไว้เลย<ะ>อีกประการหนึ่งนะเคย ไปบินทบาทแล้วระหว่างที่บินทบาทเนี่ยก็เห็นพิสุรูปหนึ่งนะโอ้โหมีท่าทางกระหายกามคิดจะสึกปล่อยสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วก็ผิวแห้งเกรียมเนื่องจากความที่ไม่ได้เคยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ก็เลยบอกว่าว่าอย่าทำตัวเน่าพองส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มแมลงวันก็จะมาตอมมาดูดนะคชาก็เปรียบเหมือนกับเปรียบกับความที่ มีความเพ่งเลงเนี่ยเป็นของเน่าพองมีกลิ่นเหม็นคาวเนี่ยคือความพยาบาทแล้วก็ความคิดที่เป็นอกุศลลามกเนี่ยก็คือมแมลงวันแล้วก็การที่ส่งกลิ่นเน่าพองเหม็นคุ้งมแมลงวันจะไม่ตอมไม่ดูดนั้นเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือไปว่าพระในตอนที่บินตาบาดอยู่เพราะงั้นเถอะฝังที่ไม่ดีนะแล้วก็เคยพูดกับท่านพระอ น, นุนที่ได้เคยกล่าวถึงความมี มิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการปฏิบัตินะซึ่งพ ร, รุชาบอกไม่ใช่นะความมีมิตร ด, ดีเพื่อนดีสหายดีเนี่ยเป็นทั้งหมดของการปฏิบัติเลยอืมค่ะแล้วก็อันนี้คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ค่ะดีน ะ, ะมีเพื่อนดีมิตร ด, ดีสหายดีเป็นทั้งหมดขอ ง, ของการประพฤติปฏิบัติของการปรฏิบัติเพื่อนคนไหนล่ะคะเนี่ย อันนี้ก็จะมีอยู่3ามนัยยะที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเพื่อนน ะ, ะนะนัยยะแรกเนี่ยก็คือเอาพระพุทธเจ้าหรือว่าเอาครูบาอาจารย์เป็นกัละยาณมิตรได้<ะ>พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพอันเป็นที่ความกลัวและความละอายในบาปเนี่ยเราจะตั้งอยู่ไว้อย่างแรงกล้าในบุคคลผู้นี้<ะ>นะหรือนัยยะที่สองก็เคยพูดถึง เ, เพื่อนที่เป็นฆราวาส เป็นกระดอย่างนี้ก็ได้นะคนไหนที่เป็นคนมีศีลมีจาคะมีศรัทธามีปัญญาอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนดีได้นะชวนกันไปเรื่องการปฏิบัติดีในศีลอย่างเงี้ยชวนกันไปให้ทานชวนกันไปศึกษาหาธรรมะชวนกันไปมีศรัทธาอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนดีรหรือในยะที่3ก็เคยพูดถึงเรียรมารคมีองแปดนะว่าเป็นกลัลยาณมิตรได้คือถ้าใครอยู่ไกลครคูบาอาจารย์ใช่ไหมคุณก็เอาเพื่อน ที่อยู่ในที่ทํางานก็ได้เพื่อนข้างบ้านก็ได้ถ้าเพื่อนอย่างนั้นมันก็ไม่มีก็เอาอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละเนี่ยเป็นเพื่อนได้เพราะนั่นก็จะมีทั้งสามระดับเลยคือจะใครบอกว่าฉันไม่มีเพื่อนดีเลยทุกคนเป็น้างรอบข้างไม่ดีหมดไม่จริงค่ ะ, ะคือให้ความหมายของคําว่าเพื่อนเอาไว้ดีมากเลยใช่ <c oughs> ในถัดมาเรื่องของ 4, อริยสตรีนะบุรุชาพูดถึงแว่นส่องความเป็นโสดบัณ อันนี้ก็จะเป็นอายาที่เหมือนกันว่าถ้าใครเป็นผู้ที่มีศีลครบนะห้าข้อแล้วก็ท่านครูบาอาจาใช้คําว่าล่วงภัยเว้5ประการค่ะนะคือคนที่ฆ่าสัตว์บ่อยๆอยู่เป็นประจำเนี่ยนะมันจะไปมันจะมีภัยอย่างหนึ่งก็คือว่าคือภัยที่เกิดในปัจจุบันก็มีหรือภัยที่อยู่ในพบต่อๆไปก็มีน ะ, ค, ะคือถ้าฆ่าสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เป็นคนอายุสั้นได้นะถ้ายังทําต่อไปเรื่อยๆอีกตอนตายไว้นนี้ตกนรกเลย น mm hmm. ละนี่คือคือข้อหนึ่งในห้าข้อก็คือง่ายๆคือสีนทานั่นแหละที่เราทราบๆกันอยู่เนา ะ, ะทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่เป็นโสดบัลเนี่ยก็คือว่าบุคคลที่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงค่ะกนะ็คือถ้าเราเห็นอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้นี่มันไม่ค่อยเที่ยงนะ ถ้าเธอมีความเห็นอย่างนี้นะมีความเห็นอย่างนี้นะมีความเห็นอย่างนี้พระชาติบอกว่าเนี่ยอยู่ในโสดาปฏิมาละ อ, อย่าพึ่งตายนะถ้ายังไม่ทําให้แจ้งซื่อโสดาปฏิพลค่ ะ, ะเพราะว่ามันจะเสียได้โอกาสมากเสียเวลามากคือคือคพลาดได้อะ่ะคืออยู่บนเส้นทางและกำลังจะท่องเที่ยวใช่ไปสู่โสดาปฏิผลอืมค่ะแล้วก็จะทําให้ อ, อทําให้แจ้งซื่อโสดาปฏิผลได้ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อแล้วคือถ้าเกิดมาใหม่นี้ก็ไม่รู้ว่าตอนตายไปนี่จะไปนรกหรือเปล่าหรือว่าจะไปเกิดในที่ที่เขามีคําสอนพระเจ้าอยู่หรือไม่อันนี้มันก็พูดยากแต่ถ้าทุกวันนี้เราเป็นผู้ที่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเออให้ให้มาทำนะให้ถึงโซดาปฏิผลให้ได้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากาแล้วก็ยังพูดถึงความเป็นโซดาบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่ถือมองกุลตื่นข่าวน ะ, ะเขาเรียกใช้คําว่า วัตตโกตูหีละมงคล ค, คือหมายความว่าผู้ที่ถือโชคลางของขลังไสยศาสตร์พวกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะอย่างเช่นจะออกจากบ้านจิ้งจบวันนี้สวยอยู่บ้านดีกว่ า, น, านั่นมันมันมันไม่ใช่ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนีน้นี่คือเชื่อมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อเรื่องอเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อมงคลตื่นข่าวนี้คุณไม่ใช่โสดบัน บางคนบอกว่าอสิ่งนั้นสิ่งนี้ตาซ้ายกระตุกอย่างเนี้นะหรือจะโชคดีตาขวากระตุกโชคร้ายมันไม่เกี่ยวเลยบางคนแบบไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมาสองครั้งสามครั้งแล้วเพื่อให้โชคดีมันก็ยังเหมือนเดิมคุณไม่เชื่อเรื่องกรรมนี่ยังไม่ใช่โสดะบันเนาะแล้วก็ผู้ที่โสดะบันนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีลักษณะมีความคงที่อยู่อย่างหนึ่งนะก็คือลักษณะที่ว่า จะไม่ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเป็นตนะที่เป็นไปไม่ได้นะถึงแม้ว่ า, าลมใครจะบอกว่าลมไม่พัดน้ำไม่ไหลสตรีไม่คว้าพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ขึ้นนะพวกนี้ยั ง, ย, งยังมีความเห็นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยก็จะเข้าใจสิ่งนี้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงนะมีความเห็นที่ถูกต้องวางเงินเถอะละสกยาทิฐิได้ แล้วก็ความเป็นโสฬานย์เนี่ยยังเป็นผู้ที่รู้จักอินทรีย์ทั้งหกอินทรีย์6เนี่ยคือหมายถึงตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจนะฮะคือโสฬานย์เนี่ยจะมีความเห็นว่าตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมคนที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้นี่นะเขาจะต้องเห็นความที่รู้จักสภาพของเขาว่าเออมันคืออะไรเกิดไม่ได้ยังไงรสอร่อยของมันคืออะไรโทษของเขาคืออะไรและอุบายในการนําออกคืออะไรพอรู้อุบายในการนําออกแล้วเนี่ย เห็นทั้งหมด4อย่าง4ี่เนื้ยะเนี่ยชื่อว่าเห็นอย่างถูกต้องแต่ยังละไม่ได้นะละด้านนี้เป็นผ้าหลานนะแต่เห็น4อย่างนี้ชื่อว่าโอเคละดีละคุณเป็นโสดาบันละเข้าขายละว่างนั้นค่ ะ, ะโสดาบันยังมีเนย้อที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความท่านพระเสด็จบุตรเนี่ยเคยพูดถึงโสดาบันประเภทที่เป็นสัทธานุสารีนะธรรมานุสารี แล้วก็โสดาปันะนะแล้วก็ลักษณะอย่างนี้คือมีโสดาบันประเภทที่ว่ามีศรัทธาเป็นหลักนะใช้ศรัทธาเป็นหลักก็ทําให้เกิด <Okay. S 1> ความเป็นโสดาบันได้หรือศรัทธาคนที่มีทิฏฐิปัฏิคือมีความเห็นถูกต้องแล้วก็เป็นโสดาบันไดนะคือโสดาบันก็ยังจะมีอยู่หลายประเภทนะคือแบ่งตามเหตุ ข, ของการที่มาเป็นโสดาบันนะ <Okay. S 1> คืออย่างเราอาจจะยังเคยเห็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆเนี่ยนะที่ท่าน โอมีสัทธามากตั้งแต่เด็กก็อยากบวชอย่างเงี้ยนะอั น, นิสัทธามากเป็นพวกสัทธานุสารีอย่างนี้เป็นต้นเนาะในเรื่องของโสดาบันก็สุดท้ายนิดนึงตรงนี้ว่าพระเชษฐาพูดถึงท่าสี่ดินน้ำไฟลมเนะี่ยยังมีความแปรป ร, รวนไปเป็นอย่างอื่นได้นะแต่ความที่โสดาบันเนี่ยจะแปรป ร, รวนเป็นอย่างอื่นไปจนเข้าถึงนรกกาเนิดในสารเปรตวิสัยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะความแปรป ร, รวนของท่าดินน้ำไฟลมเนี่ย ยังแปรปรวนไปได้แต่ว่าโสดาบันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตมิสยัยค่ะก็เท่ากับกว่าวันนี้เราได้รู้ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นโซดาบันใช่สำหรับคนที่พุ่งเป้าเลยนะคะว่าชีวิตนี้ไม่เอาแล้วเป็นมนุษย์ธรรมดาชีวิตเดียวชีวิตหน้าขอกระเถิกขึ้นชั้น <c oughs> มีเสียแรงที่ฟังรายการ ที่ให้ธรรมะแล้วก็บอกวิธีท่านอยู่เป็นประจำก็ลองจดจำสิ่งที่ท่านเพริบูลได้นําออกมาฝากเรานะคะในช่วงเวลาของรายการสัมสนีสนทนาในวันนี้ข่าวันนี้ก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านเพริบูล์เป็นอย่างยิ่งค่ะญาเจริญพานข้นทุกท่านาที่เคารพค่ะเนี่แหละนะคะเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มากเหลือเกินนะคะเป็นความรู้สูงสุดแล้วเพราะผู้รู้ที่นํำออกมาบอกกับเราก็คือพระพุทธองค์ค่ะโดยพระภิกษุที่ ได้เผยแผ่คําสอนของพระพุทธองค์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทําหน้าที่ของสาวกนะคะส่วนรายการของเราก็ทําหน้าที่ของผู้ที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะให้จําหลักอยู่ในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่โลกอีกนานเท่านานรายการสันสินีสนธนานะคะดิฉันสัสนสินนาภงและทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอซึ่งต้องบอกว่าอนุโมทนากับทางสถานีด้วยจริงๆเลยนะคะที่ได้จัดสรรเวลาให้กับ ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสฟังค่ะเรายังมีหนังสือที่จะแจกกันสัปาละสามเล่มนะคะหนังสือชุดพุดทธวจนะที่ท่านคึกฤติ์อภิปุลเอาขอภัยค่ะท่านคึกฤิโสดิโฟโลค่ะวัดปภะพงศ์ารลโกกาสคลองสิบให้มาและเราก็กำลังจะพ้นจากเข้าพรรษาก้าวเข้าสู่การทอดกับถินแจ้งข่าวสาหรับผู้ที่ฟังรายการนี้ว่าวัดที่พระภิกษุ ซึ่งมาจัดในรายการจำพรรษายอยู่วัดนาป่าพงจะทอดกะถิงนกันในวันที่16ส่วนวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็จะทอดกะถินกันในวันที่23ตุลาคมทั้งสองวัดเลยนะคะท่านสนใจจะไปทาบุญหรือว่าสนใจที่จะร่วมทาบุญแต่ไปไม่ได้ท่านติดต่อมาที่022690006เบอร์เดียวกับที่ขอหนังสือเหมือนกันวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพู้ทั่วสวัสดีคะ่ะ